สิบสามปิติทุกกะหนึ่งทัศนีนะปหาตับพาทุกกะ1261ัสกสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นไนะสังโยตสามคือหนึ่งสกายทิทิสองวิจิกิจฉาสามสีลับพระตะปรามาศันสกบรรดาสังโยชสามนั้นสกายทิทิเป็นไนะ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยไม่ฉลาดในธรรมของพระอ ร, ร, ร, ริยมาได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษมาได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนา สัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสากายทิฏฐิหนึ่ิวิจิกิจฉาเป็นไฉขุทุชนย่อมเคลือบแคล ง, งสงสัยในพระศาษษษสดาความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจ มีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาหนึ่งพันสองอกสิบสี่ีลับพระตับปรามาสเป็นไฉนสมณพราหมณ์ภายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปลากมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสีลัพตับปรามาส สังโยชน์สามดังกล่าวมานี้และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมพยุ์ด้วยสังโยชน์สามนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปติมักหนสรสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นฉน เว้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชนเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัยยากฤิที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุได้กแก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัก 2. ภาวนายะปะหาตับพระทุกกะ1266ัสสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามเป็นไฉนะโลภะโทสะโมหะที่เหลือและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยโลภะโทสะโมหะนั้น กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามหนัส้อสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นชนหนเว้นสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยกฤตี่เหลือ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 1.268 สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นไฉนะสังโยชน์คือ 1. สกายทิติ 2. วิจิกิจฉา 3. สีละพะตัตปรามาตันสร้บรรดาสังโยชน์นั้นสกายทิติเป็นไฉนะปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตวบุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสัตวบุรุษย่อมเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะลาชมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าส ก, กายทิฏฐิ1นึ0งพันเ็วิจิกิจฉาเป็นไฉนปุทุชนย่อมเครือบแคลงสงสัยในพระศาสดาความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉา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 สังโยชน์สามเหล่านี้และกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมพยุต ด, ด้วยสังโยชน์สามนั้นกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีสังโยชน์สามนั้นเป็นสมุทฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักสังโยชน์สคือสกายทิฐิวิจิกิจฉาและสีละพรตปปลามาก สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าต้องประหารด้วยโสดาปัติมัตตโลภะโทสะโมหะที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับสังโยชน์สามนั้นสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัติมัตตส่วนกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยโลภะโทสะโมหะนั้น กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีโลภโทสะโมหะนั้นเป็นจมุติฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัันสอร้อยเจสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมักเป็นฉนเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤตที่เหลือ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 หนึ่สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นฉไนโลภะโทสะและโมหะที่เหลือสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาส่วนกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับโลภะโทสะโมหะนั้นได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์ที่สัมพยุดด้วยโลภะโทสะโมหะนั้น กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีโลภโทสะโมหะนั้นเป็นจมุตฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามหนึ่สภาวธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเป็นฉนเว้นสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเหล่านั้นแล้ว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 หนึ่สภาวธรรมที่มีวิตกเป็นฉไหนะเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยวิตกในภูมิแห่งจิตที่มีวิตกซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏจัก์เว้นวิตกแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิตก1276สภาวธรรมที่ไม่มีวิตกเป็นฉไนะ เวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิตกซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถทุกวิตกรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิตก 6. สวิจาระทุกกะ 1,277. สภาวธรรมที่มีวิจารเป็นฉไน เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยวิจารณ์นั้นในภูมิแห่งจิตอันมีวิจารณ์ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เว้นวิจารณ์แล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีวิจารณ์ึ่งพสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารณ์เป็นชไหนะเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีวิจารณ์ซึ่งเป็นกามาวจร รูปราวจรอรูปราวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกวิจารณ์รูปทั้งหมดและธาตุที่มีปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีวิจารณ์เจ็ดสปีติกะทุกกะ1279ัน12สสาภาวธรรมที่มีปีติเป็นฉนไหนเวทนาขันวิญญาณขันที่สัมพยุด้วยปีตินั้น ในภูมิแห่งจิตที่มีปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกเว้นปีติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีปีติ1280สภาวธรรมที่ไม่มีปีติเป็นไนะเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่มีปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจร อรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุก์ปีติรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีปีติ 8. ปีติสหคตะทุกกะ 1,281. สอดสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นไฉนะเวทนาขันบิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยปีตินั้น ในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์เว้นปีติแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยปีติหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยปีติเป็นไนะเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่สรคตด้วยปีติ ซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกเว้นปีติแล้วรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยปีติ 9. สุขสาสหคตะทุกกะ 1,283 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นไฉนะ สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยสุขนั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกามาวจรบรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุก์เว้นสุขแล้วสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตด้วยสุขหนึ่สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยสุขเป็นไฉน เวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิต ท, ที่ไม่สหรคตด้วยสุขซึ่งเป็นกามาวจรูปาวจรอรูปาวจ ร, ร, วจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถุทุกสุขรูปทั้งหมดและธาต่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตด้วยสุขสิบปุเปขาสหคตะทุกกะ 1285สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นฉไนะสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขานั้นในภูมิแห่งจิตที่สหรคตด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกเว้นอุเบกขาแล้ว สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสหรคตรด้วยอุเบกขา1286พสภาวธรรมที่ไม่สรคตรด้วยอุเบกขาเป็นฉนะเวทนาขันวิญญาณขันในภูมิแห่งจิตที่ไม่สรคตรด้วยอุเบกขาซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตถุกขอุเบกขารูปทั้งหมดและธาติปัจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่สหรคตรด้วยอุเบกขา 11. กามาวจรทุกกะ 1287. สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเป็นฉนัยขันธาตุอายตนะรูปเวทนาสัญญาสังขารและบิญญาณซึ่งท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดเอาเอาเวจีมหานรกเป็นที่สุด เบื้องสูงกำหนดเอาเทพชั้นปรณิมมิตะ ว, ะวัสวัตติเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกามาวจรหนึ่งพัสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเป็นฉไนะสภาวธรรมที่เป็นมรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกามาวจรสิบสอง รูปาวจรทุกกะ1289สสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจรเป็นไนะสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกของผู้เข้าสมาบัติของผู้ที่กำลังอุบัติหรือของผู้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่ท่องเที่ยวอยู่นับเนื่องอยู่ในภูมิระหว่างนี้คือเบื้องต่ำกำหนดปรมโรคเป็นที่สุด เบื้องสูงกําหนดเทพชั้นอกานิทภพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นรูปาวจร1290สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรเป็นฉไหนสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นรูปาวจร 13. อรูปาวจรทุกกะ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 เบื้องสูงกำหนดเทพผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพเป็นที่สุดสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอรูปาวจร1292สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นฉไนะกามาวจรรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัดตัดทุกข์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอรูปาวจร 14. ปริยาปณทุกกะ1293สภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตทุกข์เป็นฉไนะสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤะษซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่านับเนื่องในวัตทุกข์ หนึ่สภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์เป็นไฉมรรคผลของมรรคที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ 15. นิยานิกะทุกกะหนึ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์เป็นไฉมรรคสที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์1296สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์เป็นฉนเว้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุนําออกจากวัฏทุกข์เหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากฤิตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจร และที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุก์ได้แก่เวทนาขันบิญญาณขันรูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตตทุกข์16เนียตะทุกกะ1297สภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเป็นไฉนะอนันตเรียกรรมห้ามิจฉาทิฏฐิที่ให้ผลแน่นอน และมักสีที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าให้ผลแน่นอน1น9 8สภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นเป็นฉะไหนเว้นสภาวธรรมที่ให้ผลแน่นอนเหล่านั้นแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจร และที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏะทุกข์ได้แก่เวทนาขันธ์วิญญาณขันธ์รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น17สอุตระทุกกะ1299สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นฉนะไหนสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากริต ซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าหนึ่งพันสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเป็นฉนะัยมักผลของมักที่ไม่นับเนื่องในวัตตทุกข์และธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่า 18. สารณะทุกกะ 1,301 สเอดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นฉนหนอากุตรลมูลสคือโลภโทสะโมหะและกิเลส ท, ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอากุตตลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุต ด, ด้วยอากุตลมูลนั้น กายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมที่มีอกุิลมูลนั้นเป็นตมุฏฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หน0 2สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เป็นชไหนสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอัพยกฤตซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุก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 1,303. าธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาเป็นไฉหนธรรมที่สัมพยุ์ด้วยวิชาและธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งวิชา1นึ่าธรรมที่เป็นส่วนแห่งอวิชาเป็นไฉหนธรรมที่สัมพยุ์ด้วยอวิชาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นส่วนแห่งอวิชา 2. วิจูปะมะทุกะ หนึ่าธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าเป็นไนปัญญาในอริยมรรคสามเบื้องต่ำธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนสายฟ้าหนึ่าธรรมที่เปรียบเหมือนฟ้าผ่าเป็นไนปัญญาในอรหัตมรรคอันเป็นมรรคเบื้องสูงธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเปรียบเหมือนฟ้าผ่า 3. ภารทุกกะ1 3ึ่ ธรรมที่ทำให้เป็น่านเป็นฉนัยความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําให้เป็น่านอกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทําให้เป็นพานหนึ่งนาธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิตเป็นฉนความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําให้เป็นบัณฑิตกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทราให้เป็นบัณฑิต สีกันหะทุกกะ1 3ึ่งพัามที่ดำเป็นชไหนะความไม่ละอายบาปและความไม่เกรงกลัวบาปทำเหล่านี้ชื่อว่าทำทิ่ดำอกุโตะลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าธทำที่ดำหนึ่งพัามรสิบทำที่ขาวเป็นชไหนะความละอายบาปและความเกรงกลัวบาปทำเหล่านี้ชื่อว่าทำที่ขาว อุศสรธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าธรรมที่ขาวห้าตปนิยทุ ก, กะ1311งพาธรรมที่ทำให้เร่าร้อนเป็นไฉไหนะกายทุจริตเวจีทุจริตและมโนทุจริตธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทรรให้เร่าร้อนอกุปสรธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าทรรให้เร่าร้อน1312งพาธรรมที่ไม่ทำให้เร่าร้อนเป็นไฉหนะ กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตทำเหล่านี้ชื่อว่าไม่ทําให้เร่าร้อนกุศลธรรมแม้ทั้งหมดชื่อว่าไม่ทําให้เร่าร้อน 6. อธิวจนะทุกกะหนึ่งพันสามรามที่เป็นชื่อเป็นไฉนการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหาร น, นาม การขนานนามการตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่เป็นชื่อธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งชื่อ 7. นิวริติทุกกะ1 3ึ4งพาธรรมที่เป็นนิรุติเป็นฉไนะการกล่าวขานสมัญญาบัญญัติโวหารนามการขนานนามการตั้งชื่อ การออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมะนั้นๆทมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นนิวรุตติทำทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งนิวรุตติ 8. ปัญญัติทุกกะ13ึ่งพันามทที่เป็นบัญญัติเป็นฉไนาการกล่าวขานสมัญญาบัญญิโวหารนามการขันอา น, นาม การตั้งชื่อการออกชื่อการระบุชื่อการเรียกชื่อแห่งธรรมนั้นๆั้นธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบัญญัติธรรมทั้งหมดชื่อว่าเป็นเหตุแห่งบัญญัติ 9. นามรูปปทุกขะ๑๓๑๖บรรดาธรรมเหล่านั้นนามเป็นฉไหนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งนี้เรียกว่านาม 1317รูปเป็นไนะมหาภูต ร, รูปสรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปสนี้เรียกว่ารูป 10. อวิชชาทุกกะ1318อวิชชาเป็นไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคือวิชชาอากุตุลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชา 1,319 ภวะตัณหาเป็นไนความพอใจพบความหมกมุ่นในพบในพบทั้งหลายนี้เรียกว่าภาวะตัณหา11อภวทิฏฐุกะ 1,320 ภวทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกจะมีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะลาศมีลักษณะเช่นว่านี้ นี้เรียกว่าภาวะทิฏฐิ1321วิภวะทิฏฐิเป็นฉะไหนความเห็นว่าอัตตาและโลกจะไม่มีดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปารามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิภวะทิฏฐิส2บสอสัตสตะทิฏฐิทุกกะ1322 สัจสตทิฏฐิเป็นไฉนะความเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปล่ามีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าสัต ส, สตทิฏฐิ1323งพัรอุเฉททิฏฐิเป็นไฉนะความเห็นว่าอัตตาและโลกขาดศูนดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิด ความยึดถือโดยวิปปะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอุเฉททิฏฐิสิบสอันตวาทิฏฐุกะ1324 ค, ค, ค, ค, ความเห็นว่ามีที่สุดเป็นไนความเห็นว่าอัตตาและโลกมีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความเห็นว่ามีที่สุด 1325ความเห็นว่าไม่มีที่สุดเป็นไนะความเห็นว่าอัตตาและโลกไม่มีที่สุดดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปปะาทมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าความเห็นว่าไม่มีที่สุด 14. ปุกพันตาทิฏฐิทุกขะ1 3 2่าความเห็นประารพส่วนอดีตเป็นไนะ ทิฏฐ kind of <oons> ิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปัสสนาปรารบส่วนอดีตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารบส่วนอดีต1327ความเห็นปรารบส่วนอนาคตเป็นไนทิฏฐิความเห็นผิดความยึดถือโดยวิปัสสนาปรารบส่วนอนาคตเกิดขึ้นนี้เรียกว่าความเห็นปรารบส่วนอนาคต15อหิบริกาทุกกะ 1,328. อหิวริกะเป็นไนกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประพฤติจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอายกิริยาที่ไม่ละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมนี้เรียกว่าอาหิวริกะ 1,329. อนโนตปะเป็นไน กิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิวริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอากุโตะธรรมนี้เรียกว่าอนตุตตะปะ 16. หิริทุกกะ1330งิบหิริเป็นไฉนะกิริยาที่ละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย กิริยาที่ละอายต่อการประกอบบาปอากุศลละธรรมนี้เรียกว่าฮิริหนึ่รอิบเอโอตตะปะเป็นไนกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประพฤติุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่เกรงกลัวต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมนี้เรียกว่าโอตตะปะสิบ เจ็ดโทวัจจสตาทุกะหนึ่ัสาร้อยสามสิบสความเป็นผู้ว่ายากเป็นไนกิริยาของผู้ว่ายากภาวะของผู้ว่ายากความเป็นผู้ว่ายากความยึดถือข้างขัดขืนความพอใจในการโต้แยง้งความไม่เอื้อเฟือ้อภาวะแห่งผู้ไม่เอื้อเฟือ้อความไม่เคารพและการไม่รับฟัง ในเมื่อถูกว่ากล่าวโดยชอบนี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่ายา1333ความเป็นผู้มีมิรชั่วเป็นไฉไนะบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาทุศีนสะดับมาน้อยมีความตรรณีมีปัญญาสามการเสพการส่องเสพการส่องเสพด้วยดีการครบการครบหา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 ความไม่ยึดถือข้างขัดขืนความไม่พอใจในการโต้แยง้งความเอือ้อเฟื้อภาวะแห่งความเอือ้อเฟื้อความเป็นผู้มีความเคารพและการรับฟังในเมื่อถูกจะทำมิกว่ากล่าวอยู่นี้เรียกว่าความเป็นผู้ว่าง่าย1335ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นฉไน บุคคลผู้มีศรัทธามีศีลเป็นพระหูสูตรมีจาระมีปัญญาการเสพการซ่องเสพการซ่องเสพด้วยดีการครบการครบหาความพักดีความจงรักพักดีต่อบุคคลเหล่านั้นความเป็นผู้มีกายและใจโน้มน้าวไปตามบุคคลเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้มีมิตรดี19 อาปฏิกุศลตาทุกะ1336รความเป็นผู้ฉล า, าดในอาบัตเป็นไนะอาบัตทั้ง5กองเจดกอง เ, เรียกว่าอาบัตปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉล า, าดในอาบัตนั้นนี้ เ, นเรียกว่าความเป็นผู้ฉล า, าดในอาบัต 1,337 ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัตเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากอาบัตเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นอยู่ฉลาดในการออกจากอาบัติ20สิบสัมาปฏิกุศลตาทุกกะ1338 ความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัตเป็นไนะสมาบัตที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีสมาบัตที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีสมาบัตที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีปัญญากิดิญาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในสมาบัตแห่งสมาบัตเหล่านั้น นี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติ 1,339 ความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการออกจากสมาบัติเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นอยู่ฉลาดในการออกจากอาบัติ 21ทาตุกุศลตาทุกกะ1340รความเป็นผู้ฉลาดในธาตเป็นชนัธาตสิบคือ 1. จักขุธาตสรูปธาตสจักขุวิญญาณธาตสโสตธาตห้สัทธธาตหกโสตวิญญาณธาตเคานธาตแคันธธาตเาคานวิญญาณธาตสิบ 1ิธาตุา 11. รัตธาตุสิชิวหาวิญญาณธาตุสากายธาตุสโพตพธาตุสกาย ว, วิญญาณธาตุสมโนธาตุ 17. ธรรมธาตุ8มโนวิญญาณธาตุปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในธรรมเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในธาตุ่ามร้ความเป็นผู้ฉลาดในมณสิ ก, การเป็นฉไนปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในการพิจารณ า, าธาตุเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในการพิจารณา 22. อายตนะกุศลตาทุกกะ 1342. ความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะเป็นฉไนอายตนะ 12. คือ 1. จักขายตนะ 2. รูปายตนะ 3. โสตายตนะสศัทธายตนะ 5. าคานายตนะ 6. คันทายตนะ 7. ชิวหายตนะ แระสายตนะเกายายตนะสิบโพธายตนะสิอดมนายตนะสิองธรรมายตนะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิที่เป็นเหตุฉลาดในอายตนะแห่งอายตนะเหล่านั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ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 ทุกโทมนัตอุปายาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้มีได้ด้วยประการชนินปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบา 23. ท 23. ฐานกุศลตาทุกกะ หน4่ 1> 1, ความเป็นผู้ฉลาดในฐานะเป็นจะไหนทำใดๆเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบังเกิดแห่งธรรมใดๆลักษณะนั้นๆเรียกว่าฐานะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐิในฐานะนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในฐานะ 1345. ความเป็นผู้ฉลาดในอัานะเป็นไนทำใดๆไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรมใดๆลักษณะนั้นๆชื่อว่าอัานะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิในอัตนานั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ฉลาดในอัานะ 24อาชวะทุกกะ1346ความซื่อตรงเป็นไฉไรความซื่อตรงความไม่คดความไม่งอความไม่โค้งนี้เรียกว่าความเป็นผู้ซื่อตรง1347ความอ่อนโยนเป็นไฉไรความอ่อนโยนความละมุนละไมความไม่แข็งความไม่กระด้างความเจียมใจนี้เรียกว่าความอ่อนโยน 25. ขันติทุกกะ 1348. ันขันติเป็นไนะความอดทนกิริยาที่อดทนความอดกลั้นความไม่ดุร้ายความไม่เกรียวกราดความแช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าขันติ 1349. โสรัจจะเป็นไนะ ความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าโสรั จ, จัแม้ความสำรวมในศีลทั้งหมดก็ชื่อว่าโสรั จ, จัยี่สาคักสาขายาทุกกะ1350ความมีวาจาอ่อนหวานเป็นไนวาจาใดเป็นปมเป็นกากเพ็รร้อนต่อผู้อื่นเกี่ยวผู้อื่นไว้ ยั่วให้โกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิละวาจาเช่นนั้นเสียวาจาใดไร้โทษสบายหูภัยระจับใจเป็นวาจาของชาวเมืองเป็นที่เจริญใจของชนหมู่มากกล่าววาจาเช่นนั้นความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานความเป็นผู้มีวาจาสละสลวยความเป็นผู้มีวาจาไม่หยาบคาย ในลักษณะดังกล่ามานั้นนี้เรียกว่าความมีวาจาอ่อนหวาน1351การปฏิสันฐานเป็นไนปฏิสันฐานสองคืออา mith ปฏิสันฐานและธรรมปฏิสันฐานบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปฏิสันฐานด้วยอามิต h หรือมีปฏิสันฐานด้วยธรรมนี้เรียกว่าปฏิสันฐาน 27อินทริเยสุอคุตตะทวารตาทุกกะ1352ความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นฉไหนะภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมจกักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศรธรรมคือ อภิชาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาจาักขุณสี่ไม่ถึงความสำรวมในจักขุณสี่ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องด้วยโภภพธพภะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสารวมมนินสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุตุลธรธรมคืออภิชา และโทมนัตครอบงำได้ไม่รักษามณิณตีไม่ถึงความสำรวมในมณินตีความไม่คุ้มครองกิริยาที่ไม่คุ้มครองความไม่รักษาความไม่สำรวมนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินรีทั้งหลาย1353ความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นฉไฉ ภิกษุบางรูปในธรรมในนี้ไม่พิจารณาโดยแยบคายบริโภคอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาเพื่อประเทืองผิวเพื่อความอ้วนพีความเป็นผู้ไม่สันโดษความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณความไม่พิจารณาในการบริโภคนั้นนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค 28. อินทรียสุขตกทวารตาทุกกะ 1,354. ความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นชนะไหนภิกษุบางรูปในธรรมในนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนสีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ย่อมรักษาจากขุนสีย่อมถึงความสำรวมในจากขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องด้วยโพธพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วไม่รวดถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินที ซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอากุตุลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัตครอบงำได้ย่อมรักษามะนิสียยอมถึงความสํารวมในมะนิสียความคุ้มครองกิริยาที่คุ้มครองความรักษาความสํารวมนี้เรียกว่าความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 135่ 1> 1, ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเป็นไนภิกษุบังรูปในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายว่าเราบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประเทืองผิวไม่ใช่เพื่อให้อ้วนพีแต่เพื่อกายนี้ดารงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินสีเป็นไปเพื่อบำบัดความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยอุบายนี้เราจักกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุขจักมีแก่เราดังนี้แล้วจึงบริโภคอาหารความสันโดษความรู้จักประมาณการพิจารณาในโภชนาหานั้น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 เรียกว่าความเป็นผู้มีสติหลงลืม1 3ึ่ความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะเป็นไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุตตลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ30สติสัมปชัญญะทุกขะ1 3ึ่สติเป็นไนะสติ ความตามระลึกความหวนระลึกสติกิริยาที่ระลึกความทรงจําความไม่เลื่อนลอยความไม่หลงลืมสติสตินสีสติพร ะ, ะสัมมาสตินี้เรียกว่าสติ1359สัมปัชัญญะเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงม ง, ง, งายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฐินี้เรียกว่าสัมปัชัญญะ สามสิบเอ็ดปฏิสังขานภรทุกกะ1360ากำลังคือการพิจารณาเป็นไนะปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้น ร, รมสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่ากำลังคือการพิจารณาหนึ่ากำลังคือภ า, าวนาเป็นไนะการเสพการเจริญการทำให้มาก ซึ่งกุศลธรรมนี้เรียกว่ากำลังคือภาวนาแม้โพชฌงเจดก็เรียกว่ากำลังคือภาวนา32สมถวิปัสสนาทุกกะ1362สมถะเป็นไนความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่าสมถะ3นึวิปัสสนาเป็นไนปัญญากริยาที่รู้ชัด ความไม่หลงงมงายและความเลือกเฟ้นธรรมสัมาทิฏฐินี้เรียกว่าวิปัสสนา33สมถานิมิตตทุกกะหนึ่นิมิตแห่งสมถะเป็นไฉไรความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธินี้เรียกว่านิมิตของสมถะหนึ่นิมิตแห่งความเพียรเป็นไฉไร การปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่านิมิตแห่งความเพียร 34. ปักคาหะทุกกะ1366ความเพียรเป็นไฉไหนะการปรารบความเพียรทางใจสัมมาวายามะนี้เรียกว่าความเพียร1367ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นไฉหนะความตั้งอยู่แห่งจิตสัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าความไม่ฟุ้งซ่าน35ศีลวิบัติทุกกะ1368ความวิบัติแห่งศีลเป็นไ น, นการล่วงละเมิดทางกายการล่วงละเมิดทางวาจาการล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความวิบัติแห่งศีลความเป็นผู้ทุศีลแม้ทั้งหมดก็ชื่อว่าความวิบัติแห่งศีล 1369ความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นฉไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโรคหนี้ไม่มีโรคหน้ามารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นไม่มี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 ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นก็มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤตปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า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 1.372 ความหมดจดแห่งศีลเป็นไนความไม่ล่วงละเมิดทางกายความไม่ล่วงละเมิดทางวาจาความไม่ล่วงละเมิดทางกายและทางวาจานี้เรียกว่าความหมดจดแห่งศีลศีลสังวรแม้ทั้งหมดก็เรียกว่ า, วามมดด 1, ความหมดจดแห่งศีลนึ3งความหมดจดแห่งทิฏฐิเป็นไนยานเป็นเครื่องรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน ญาณที่สมควรแก่การอย่างรู้อริยสัจญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคญาณของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผล 38. ทิทิฏฐิวิสุทธิโคปณะทุกกะหนึัที่ชื่อว่าความหมดจดแห่งทิฏฐิได้แก่ปัญญากริยาที่รู้ชัดความไม่หลงความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิ หนึ่ที่ชื่อว่าความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจดได้แก่การปรารบความเพี่ยนทางใจสัมมาวายามะ39สังเวชนียสฐานะทุกกะ1376ที่ชื่อว่าความสลดใจได้แก่ยานที่เห็นชาติโดยความเป็นภัยยานที่เห็นชาราโดยความเป็นภัยยานที่เห็นพยาศโดยความเป็นภัย ยานที่เห็นมรณะโดยความเป็นภัยชื่อว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจได้แก่ชาติชาราพยาธิและมรณะ1377ที่ชื่อว่าความเพียนโดยแยบคายของบุคคลผู้สลดใจได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียนประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อทำบาป กุศลธรรมอันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดเพื่อละบาปากุศลธรรมอันเกิดแล้วเพื่อทำกุศลธรรมอันยังไม่เกิดให้เกิดเพื่อความตั้งมั่นไม่เละเลือนพิโยภาพภัยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมอันเกิดแล้วส0อสันตุิติตากุศลธรรมทุกกะ1378ที่ชื่อว่าความไม่สันโดษในกุศลธรรมได้แก่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 ความเสพความเจริญการกระทาให้มากเพื่อความเจริญแห่งกุศรธรรม41วิชาทุกกะ 1,380 ที่ชื่อว่าวิชาได้แก่วิชาสาคือ 1. วิชาคือปุปเพนิวาสานุสติญาณ 2. วิชาคือจตูปปปาตญาณ 3. วิชาคืออาสวยายาัคไยญาณ 1381ที่ชื่อว่าวิมุตได้แก่วิมุตสองคืออธิวิมุตแห่งจิตหมายถึงสมาบัติ8และนิพพาน42ขิยายานทุกะ1382ที่ชื่อว่าความรู้ในอริยมรดได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยมักคจิต 1383ที่ชื่อว่าความรู้ในอริยผลได้แก่ความรู้ของท่านผู้พรั่งพร้อมด้วยผลจิตสุดตันติกะทุกกะนิเคปะจบนิเคปะกันจบ